วันนี้จะเทศธรรมะให้ฟังธรรมะเรื่องของกุง้งรวบรวมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือตัวของเหล่านี้สิ่งทั้งหมดในโลกเหนนี้มีรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น สิ่งที่เป็นลูกปรากฏขึ้นมาในว่าดินน้ำไม่ว่าภูเขาเรลากาต้นไม้ต้นไหล ส, สาระ ส, สิ่งทุกสิ่งทุกประการอันนั้นเรียกว่าลูกธรรมจิตใจนั่นที่มีความคิดความนึกรู้สึกต่างๆเรียกว่านามธรรมโลกทั้งหมด มีเท่านี้แหละไม่มีอื่นใกลือ่องอะไรหรอกมีรูปทำนามทำาดิานนะแต่ขยายข้งางคงออกไปหรือที่ยกระา น, านานับ <c oughs> ที่เทศนาเรื่องรูเพึ่งเรื่องธรรมในที่นี้ <c oughs> เทศเฉพาะเล็กน้อยคอรับพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ซึ่งยัยธรรมหมายความว่าใยยะธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความตัดทะรู้จึงเรียกว่าใยายะธรรมไม่ใช่ไปเทศนาเรื่องอื่นไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นไปเรื่องรู้เรื่องเดินฟ้าอากาศอย่างทางวิทยาศาสตร์เขารู้กันมันนั่นถ้าไม่รู้อย่างนั้นหรอก ถึงรู้ทั้งก็ไม่เอามาพูดเรื่องอะไรนั้นมันยืดยาวชีวิตของคนเราน้อยนิดเดียวอย่างพระองค์ก็แปดสิบปีอังไม่ผ่านจะไปเอาเรื่องแล้วมาพูดทีไหนมันจะหมดสิ้นเป็นถ้าพูดเลยเจ้ารู้แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นรู้หมดแต่ไม่พูดพูดแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อ ควมหมดจดบริสุทธิ์เพื่อจดสรุปผลนภิภาณแต่ถึงขนาดนั้นมนุษย์คนเราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ตามได้เหตุที่พระองค์รู้เรื่องทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละพระองค์จึงได้ตรัสเทศสดาว่าสวาคาโตพระควตาธรรมโม ธรรมันพระผู้มีพระาคตรีแล้ ว, ลลวดีที่สุดคือมีขีด ม, มีผลตรัสสิ่งได้ว่าเป็นบุญก็เป็นบุญจริงๆเป็นบาปก็เป็นบาปจริงๆตรัสว่าบาปแล้วจะเป็นบุญไม่ได้ตรัสว่าบุญแล้วจะเป็นบาปไม่ได้ตรัสว่าดีจะไปชั่วก็ไม่ได้ ตอน่าช่วยแกลับมาดีขึ้นไปไหลขเพระองค์ตัสตายตรัสตาย ต, ตัวเลยจึงว่าตรัส ด, ดีแล้วจึงขยายความไปว่าอาธิกรณยานะงวัชเชกนัญาาะปิโยศาณกนัยานะานะงามในเบื้องต้นได้แก่มีศีลท่ามกลางสมาได้แก่มีสมาธิ งามในที่สุดได้แก่ปัญญาพระองค์เทศจะนายสามอย่างนี้แหละในแนวสามอย่างนี้แหละแสดงให้เห็นว่างามในธรรมเบื้องต้นเน่ยได้เก่ศีลคนเราจะทำดีต้องตั้งต้นตรงศีลี้ก่อนจะทำอะไรทั้งหมดทำดีต่อไป ต้องตั้งต้นที่ศีลเนี่ยพุทธศาสนาก็ตั้งต้นที่ศีลนี่แหละจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรทั้งหมดตั้งตนที่ศีลนี่เท้านั้นถ้าหาไว้ตั้งตนต้องศีงลได้จะไปต้องตั้งตนตรงไหนเอาอะไรเอาเป็นเครื่องวัดคนเราทําดีหรือาอะไรเป็นเครื่องวัด ไม่ใช่ชิ้นลกสิ้นห้าิ้นแปดิ้น 8, สิบชิ้นสง้อยิบเจ็ดตามชั้นตามภูมิกูวาสกุบาสิกามีสิ้นหสามเณรมีสิน 10, ้นสิบกิตสุมีสิน้นสองรอยิบเจ็ดเียงเครื่องวัด ถ้าหากมีสินเหล่านี้เป็นเครื่องวัดแล้วเรามาักขวดดูตัวเหงเราเราเมีสินเขา บ, บริบูรณ์หรือไม่เห็นได้ใจต้นทิ้งสินเขา บ, บริบูรณ์แล้วก็มีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจไม่เดือดร้อนจิตก็สงบเป็นสมาธิ แล้วก็เกิดตัวดวงปัญญาขึ้นมาเห็นไปไกลดะถ้าไม่มีสินนี่เลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดห้าขอนะ้อเนี่ยเป็นเบื้องต้ น, ตนเราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเราทำอะไรถูกต้องตามสินหรือไม่ มันขาดตัววัตอุต้องไหนแล้วก็งแก้ไขนี่ปฏิบัติราสนาตรงที่ปฏิบัติตรงนี้ถ้าหาก็ไม่มีขอบเขตจำกัดเจะแล้วเลยไม่มีเครื่องวัดเคร่งเทียบคนนั้นได้ชื่อว่า จะเป็นวาสกวาสิกาในพุทธศาสนาไม่ได้เรือว่าคนนอกพุทธศาสนาปฏิบัติอะไรก็เลื่อเทิร์นหลายๆแบบว่าเอาใจความชอบใจของตนอยากจะปฏิบัติกขาปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติเขาไม่ไม่ปฏิบัติเลยไม่มีขอบเขต นี่จริงว่าพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาธรรมรที่เป็นที่เป็นสวกขาโตก็ตาทะโมธรรมมันพระพุมธมีพราจะาตรัดดีแล้วไม่ขาดตววงวบุกองเลยเลยเรียบร้อยทุกอย่าง อันที่ติโกข้นี้ข้อต่อไปธรรมอนี้เป็นธรรมสาหรับธรรมเรียกเพื่อได้เาเทศอาสนาเนี่ยเป็นธรรมสาหรับตัวของเราทาั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราทาั้งนั้นเน่ยธรรมนั้นเป็นของมีอยู่แต่หากเราเอามาเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัว หากว่าเราเอามาใช้มันก็เป็นประโยชน์แก่เราอย่างธรรมเรี่ยวพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วคือเห็นพระองค์เห็นรู้จริงจริงแล้วพระองค์เจงว่าสมมาสัมพุทธะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองเรารู้แล้วเราก็มาฟังธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติ ให้รู้เองเห็นเองขึ้นในใจของตนแล้วแล้วก็เป็นอนุพุทธะคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เทศนาอื่นไกลไม่ใช่เทศนาทิ้งทิ้งของว้องอ้ในป่าในลงในลงนนั้นเทศนาให้คนนะั่นแหละปฏิบัติให้คนก็ทำตาม เรียกว่าธรรมะคำสอนผู้ไจารา์เป็นประโยชน์เขตตนทั้งวัดดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ธรรมะมีมีมข้อบุตรที่ย่นย่อไว้จะว่าคาโตพระกัจามมธรรมโธรรมทั้งมีพระจะตรัีแล้วสันทิฏฐิโกเห็นด้วยใจของตนเอง นาตาลิโกมไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเอฮีปชิตโกน้อมเข้ามาในตัวของเราปัจจังเวทิเดโฟนิโอหิวิญโูชนนั้นที่จะรู้จักอย่างนี้คนถ้าไม่จะวิญโยชนไม่รู้จักหรอก นี่มีหกบทที่เทศนาท้งเรื่องธรรมะที่เป็นของส่วนตัวแท้ท่านี้อธิบายลำดับแซนติทิโกเป็นของเห็นด้วยตนเองโงเทนโนะอธิบายนั่นอธิบายนั่อนออกมาธรรมะ เป็นของที่ไม่มีตนมีตัวแต่ผู้ได้เจ้าพูดเป็นคมออกมาให้ปรากฏแก่ตัวของเราคือว่าเราเป็นคนพิจารณาอย่างว่าสันทติโกคนที่ทำชั่ว ต, ต, ต้องเห็นด้วยตัวเองทำชั่วทำดีต้องเห็นด้วยตนเองแค่คนอื่นเห็นได้ไม่ได้คนอื่นเห็นได่นก็เป็นของคนอื่นกลัวคนอื่นจะเห็นมันพอแรงแล้ตัวของเราเต็มที่แล้วมันเต็มเปรี่ยนมาจนไหลไปให้คนอื่นเห็นจันที่ติโกด้วยเห็นตนเองเป็นของเฉพาะส่วนตัวเห็นด้วยตัวเอง เห็นเดียดพอเลยไม่มีใครบอกหรอกท่านบอกอนะ่ะท่านบอกเดี๋ยวคนบางคนไม่เห็นมันก็เท่านั้นนะคนไม่เห็นก็เท่านั้นแหละยังสอนให้ละชั่วนะยังพ่อแม่สอนลูกเตา่าความผิดผิดเดี๋ยวยอะไต่างๆอาบายยังมุกมันเป็นเนหตุในโทษทุก เกิดขึ้นแก่ตัวของเราไม่ใช่เกิดขึ้นแก่คนอื่นเป็นนักเลงตุรายาเมาเป็นนักเลงเด็การสนานเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงเจ้าชู้อะไรต่างๆ่ะที่ท่านเทศนาวะมันไม่ดีนะแต่มันไม่เห็นในตนเองคนที่เห็นเน ล, ละในตนเองยิง พระพุทธเจ้ายัางเลียกอ่ะมิพวกคุณเป็นสารธิไม่ต้องใช้บังคับไม่ใช่ต้องใช้อา ญ, ญาบังคับด้วยแตะเขียนด้วยค้อนตีแดงต่างแต่อาศัยเห็ น, ด, น, ด, น, น, ด, น ด, ด้วยตนเองละได้ตนเองแล้วก็ละพยศได้ตนเองด้วยละได้จริงๆ อย่างฟังคุยมาเ น, นี่เป็นมหาโจรเองล่าได้เป็นพระหรันทันทีเลยทีเดียวอันนั้นยังว่าสันทิทโกเห็นในตนเองพระทําสอนให้เป็นในตนเองอย่างนี้ากาลิโกไม่ได้เลือกการเลือกเวลา อย่างลูกไม้ผลไม้เขาพากันปลูกกันฝัง ป, ปีนียงง่ยังก็เกิดลูกผลหนึง่งไปท่ายถึงฤดูลูกไม้ผลไม้ฟ้าฝนตกก็มายังก็เกิดลูกเกิดผลไม่ใช่อย่างนั้นทำมากคสาสอนครูเจ้าเห็นไปัจจุบันทันใจทันดน่วนเราล่าเวลานี่ก็เห็นคนดีในเวลา เราล่าพวกนี้ก็เห็นในพุ่งนี้ไม่ได้เลือกการเลือกเวลาล่ากลางคืนก็เห็นผลประโยชน์ในกลางคืนแล่าก้างนั้นก็เห็นผลประโยชน์ในกลางวันเช่าเที่ยงเช่าเที่ยงบ่ายก็เห็นในเวลานั้นน่ะความอิ่มใจดีใจเกิดเสนใ่หใจมากกวปรากฏนั่นเป็นผล ของปฏิบัติเรียกว่าอากาลิกูไม่มีการไม่มีเวลาไม่ต้องชักไม่ต้องเสียเวลาเวลาสัก้าไปนา น, นเราปฏิบัติเห็นจริงแจ้งเขาชัดเจงขึ้นมาเลยทีเดียว อย่างง่ายๆอย่างเราละเสริมตื้นอ่างเงี้ยละทาเชิงชั่วล่ะละชั่วละมันเกิดไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นหยัดเข้าไปความคิดความนึกแล้วกลางจัดความคิดความนึกกันชั่วช้าเร็วตามาเสียมาหายในปัจจุบันนั่นก็ได้ความดีขึ้นมาในปัจจุบันนั้น จิตใจฟองใสสะอาดเบิกกวางทวันนั่นเรียกว่าอากาลิโกสันไออากาลิโกเอฮิปัิโกเราทำได้แล้วเราสามารถสอนคนอื่นได้ มาดูตัวอย่างค่านี่ทําแล้วค่าทําแล้วเนี่ดยดีอย่างนี้อย่างนี้สามารถอ่านหาพูดได้เต็มปากถ้าเราไม่ทําเสร็จแล้วเขาจะพูดอย่างง่พูดตังแต่เห็นโทษเจ้าของนมันจะกินที่ขวางนั่นแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องของเราก่อนกินทีกินที่ขนั่นอีกเราล่าได้จริงๆจังๆแล้ว เอฮิบ eh ิโกโอเปอิโกน้อมเข้ามาตัวของเรานี่เลยเอาเป็น e ตัวอย่างเลยหรือน้อมอย่างหนึ่งก็เห็นคนอื่นทําไม่ดีไม่ชอบน้อมเข้ามาทิ้ตัวของเราเราทาให้อย่างนั้นอันนั้นกัเรียกว่าน้อมเข้ามาคนอื่นทําดีทําชอบ แล้วก็น้องเข้ามาในตัวของเราเราควรที่จะทำนั่นเป็นตัวอย่างอัแนงก็เรียกว่าโอปนายิกโกแต่โอปนายิกโกที่แท้จริงล่ะก็ต้องขันละชัว่วได้แล้วอาฐานกล้กาหารสามารถเก็บพูด้คนอื่นฟังได้อันนี้นเรียกโอปนายิกโก การนี้ปัจจัตตังอะรงไรการเวทีตะโพยูหิเฉพาะตนเองเลยจริงทั้งหลายวินญูชนไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเท่าแก่ไม่ว่าล่ะ <c> ข <oughs> ันเห็นเฉพาะตนเนี้ย สิ่งที่เห็นขึ้นเกิดขึ้นอย่างพ่อตนน่ะปัจจิตตังเลที่โผล่อยู่วิดีโอชนเป็นวิดีโอชนทั้งนั้นสิ่งที่ดูเห็นด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเองรู้แจ้งด้วยตนเองให้มีใครมาบอกไม่มีใครมาตักเตือนสิ่งนั้นเห็นไปจักในใจของตงนทุกเมื่อทุกยาม จิตใจฟองใสสะอาดจิตใจไม่ขาดเคลื่อนจากความจริงเดยใจนิ่งแน่ว เ, เป็นสมาธิภาวนารู้ไดตนเองอ่อคนอื่นไม่รู้ก็ต่างเห็นได้ตนเองแต่ผพูดทั้ อ, อื่นคนฟังคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องพูด ถ้าไม่เห็นหน้าไม่ต้องพูดเห็นหนวาตนเองชัดเจนไม่ต้องพูดแต่เราทำตางทาตามความรู้ของเราหากเป็นอุบายสาหรับคนอื่นทาตามพูดแต่ว่าเราไม่ทามันเขาไม่เป็นประจักตา่างพูดแต่ว่าแต่ว่าพูดเราไม่ทํา คนอื่นเรไม่สามารถจะทําตามไดอันนี้คันเราเราเห็นด้วยตนเองเราเราทําด้วยตนเองน่ะนอกมาในตัวของตนเองน่ะคนอื่นะทําทไม่ทําก็ช่างตนตน้นตนทํำแล้วมันก็ดียื่อยไปถ้าคนอื่นทําก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นธรรมะทั้งหกบทนี้ เรื่อและวแต่เป็นของเกิดขึ้นในตัวของเราทั้งนั้นอย่างธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวของพระอกเรียกว่าสัพยุตญาณเกิดขึ้นมาแล้วรู้เฉข้อตนเองพระองค์ในแนวนี้ทั้งนั้นอะ่ะพระองค์ โอภาณายกไปจตังเวทีทุกคนอยู่หตทั้งนั้นน่ะคงจะได้นำมากล่าวมาพูดให้คนทั้งหลายฟังแท้ที่จริงธรรมะเป็นของพระองค์จะเทศนาไม่เทศนาธรรมะก็มีอยู่อย่างนั้นแต่พระองค์ไปรู้ขึ้นไปจต่างแ้กยังค่อย มาเทสนายคนทั้งโลกคนทั้งโลกัพา ก, กันตื่นขึ้นมัพา ก, กันรู้สึกตื่นขึ้นมาปฏิบัติตาอย่างพวกเราทั้งหลายเกิดสุดท้ายพลังไม่เห็นโองพระพันธธรรมมากขั้สองพระเจ้าพา ก, กันตื่นอ ก, กืนใจทาปฏิบัติสามอย่างนี้แหละเห็นไปจักในแจตน รู้แจ้งในใจขงศนเข้าใจทราบซึ่งในใจขงศนข้าพเจ้บาบัญญติอย่างนี้นะมีว่าธรรมะเป็นเครื่องส่อแสดงให้ปรากฏให้เราเป็นคดดีขึ้นมาถ้ามีธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ล้วก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้พระธรรมเป็นของมีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ ถ้าเอามาปฏิบตัติเอามาสวมใตัวของเราเราก็เลยพลอยดีไปตามถ้าไม่เอามาไม่เอามาปฏิบัติทํามา ก, ก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะเป็นของดีอยู่แต่หากเรามเอามาสวมเหมือ น, นกับเครื่องประดับตกแต่งเพชรนินจินดาสารัดทุกอย่างเขาทำให้ประดับกาถ้าไมเอาประดับโคเหรอ อยู่งังแต่มันก็งามอย่าง้สวยสุดคนงามเมื่อนั้นแล้วกระดาบคนเราเขาต้องงามไปตามอันนั้นอวบามาเบียดแต่ว่าธรรมะยังงามเม่านั้นอีกทราบซึ้งเข้าไปถึงจิตถึงใจกิริยาใบญาติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมูลบริบูรณทุกสิ่งส่วนเครื่องกระดาบตกแต่งแผลนอน งามแต่ขนไปงามก็เท่านั้นแหละกิริ ย, มยามนญาย์ไราพุธงพุงนเก่าเก่าไม่ดีขึ้นไวเขาเก่าอันนี้มันพร้อมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถประดับคนให้เป็นคนดีขึ้นมาจนกระทั้งได้โซดาสจิทาขานะคะจนพระถึงพระรหรัตประดับดีจนกระทั่งได้บรรลุมขนนิพพานจุด ทนจากทุกได้ทุนเนาะธรรมะคำสอนกุศลเป็นของดีวิเศษอย่างนี้อ่ะแหละเอาไปากันตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานตั้งต้นให้พิจารณาทั้งเรื่องธรรมะนี่แหละ ธรรมะเป็นของประเสริฐสูงสุดในมนุษย์และเทวบุตรเทวไนผมทั้งหมดไม่มีอะไรจะสูงเท่าธรรมะนี่คนจะดีวิเศษสูงก็เพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คนจะต่ำเร็วสายก็เพราะมามีธรรม ท, ทางง่ายๆที่เห็นได้ง่ายก็คือสินหาก ลองดูมนุษย์ชาวโลกมีชิ้นห้าครบบริบูรณ์แล้วลองดูใครจะไม่สรเสริญเดี๋ยวนี้มันไม่มีสิ้นห้านั่นสิครูบาอาจารย์ก็ไม่ ม, มีสิ้นหา้าดีดาบรนดาก็ไม่มีชิ้นหา้าเจ้านายและผู้รักผู้ใหญ่ก็ไม่มีชิ้นหา้า พูดสั่งสอนเงปฟ้าฟ้าแต่ว่าตนเองไม่มีชิ้น่าทั้งเครื่องอยู่มันจะได้พ้าอีกถ้าหากสิ้นค้าวเครื่องประดับเสร็จแล้วไม่ต้องพูดมากหรอกทุกค น, นไม่ต้องพูดกันมากเขาเป็นของงามเองธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอน สนให้เอามาประดับตนเองคือให้มาปฏิบัติศาสนา ส, านาสานาาอนกันมากไม่เยอเกินแต่ไม่สอนเรื่องศีลห้าสอนเรื่องศีลห้าแต่ไม่ปฏิบัติเมื่อหมดทอนทางมันสอนเรื่องเรื่องศีลห้าเลยไม่อยากฟังแล้ว ไม่พอใจไม่ชอบใจถ้าเขาเลยขี้เกียจสอนสอนเขามาอยากฟังก็เลยสอนเรื่องอื่นเรื่องไกลไปมันจะออกห่างจากทินหาไปหมดพูดตลกเฮาไปไม่ชอบใจทันพูดเรื่องหลักทินหาแนละ้วไม่นจะมีตลกอะไร มีแต่ข้อปฏิบัติอันจริงจังทั้งความไรสุทหมดจดในใจของตนมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มหมดจดแล้วก็ไม่มีเรื่องเสียหายก็อยู่สงบสุขทุกคนก็เยือกหยินชินหายังไง เ, เป็นเครื่องประดับอย่างสำคัญเรียกว่าชินเป็นเครื่องประดับ อันนี้การธรรมะเป็นเครื่องประดับเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ความสงบเรามีเมตตาเอ็นดูปาถนาบ้างดีต่อสัตว์มันก็อยู่ในจินตนานาเองเมตตาอยู่ในจินตนาเารอ่ากามีเมตตาปาถนาบ้างดีต่อคนมนุษย์ทั่วไปหมดโอ้ความอรีซึ่งกัรนั่นกัน มันก็ลังพ้นจากสินห่านความะงบความเยือกหย็นก็มีในหมู่ น, น, นั้นขาดนั้นจึงว่าเป็นเบื้องต้นของศาสนาเพราะฉะนั้นจึงว่าให้เอาตรงสินห่านไปก่อนถ้าวันน ให้มันแน่วแน่วของสินห้าดิเอากันจริงๆรัจังๆลก่อนจนสงบเต็มที่แล้วจะเห็นสมาธิคือในนั้นแหะปัญญาจะพูดพูดก่อนเลยปัญญาเบื้องปลายปัญญาที่ของละเอียดจะพูดพูดก่อนเลยเอาปัญญาตรงนี้แหละต้องเห็นโทษของสินห้านี่แหละ